คาเจริญจะมีแท่านพุทธสาสนิกชนหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเรื่องโยกสูตรในสังยุตติกายมาเสนอแตยท่านผู้ฟังกามโยคะแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องร้อยรัดใจหรือว่าขังหรือผูกมัดโคนไว้ มีชื่อที่สรงใช้เรียกในที่ต่า ง, างๆหลายชื่อบางครั้งเรียกว่าคันถังเปลว่าเครื่องร้อยรัดบางรี้เรียกว่าโอคะเปรียบว่าพ่วงน้ำบางครั้งก็เรียกว่าอาสุวะเปลว่าสิ่งที่หมักหมมอยู่ภายในใจคนข้อนี้เป็นพระธรรมเทศนาที่ ทรงแสดงโดยอัธยาศัยของพระองค์คือมีความประสงค์จะอธิบายธรรมะในแก่กลุ่มพุทธบริษัทแต่ยันที่บอกได้ว่าพระสูตส่วนใหญ่นั้นจะแสดงผ่านประสุ์แต่หมายความมาที่ประชุมก็มีทั้งพระทั้งชาวบ้าน ในประเทศมักจะส่งใช้คำว่าพิฆเวเกดูก่อนพิกษุตั้งหลายแต่คำว่าพิกษุนี้ที่จริงแล้วก็หมายถึงผูท้ที่มีันปัญญาพิจารณาเห็นโทษหินภัยในการที่ต้องหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเระกอบความทุกข์ความสุขสลับซับซ้อนปนปะบนเปรกันไปได้ทรงแสดงว่า ประเหตุสี่ประการหประการคือความไม่รู้ความเกิดขึ้นการไม่รู้ความดับการไม่รู้ถึงความยินดีการไม่รู้ถึงความขุืนเดือดร้อนแต่ความไม่รู้ถึงการออกไปจากพวกกิเลสทั้งหลายหรือทั้งสี่ข้อ ข้อแรกก็คือเรื่องของกาโมโยคาโอคาคือกาบก็เป็นเรื่องความจริงที่ ว, ว่ากิเลสมันเกิดมาจากกามิชาคือเกิดมาจากไม่รู้เรายึงมีความรู้มากเท่าไหร่กิเลสมันก็ลดลงไปเท่านั้นพอความรู้สมบูรณ์กิเลสมันก็หมดมันก็แสงสว่างเต็มที่ความมืดมันก็หมด แล้โดยปกติแล้วคนจะไม่รู้ในเรื่องของความเกิดในเรื่องของความดับในเรื่องของความพอใจยินดีในความผมคืนเดือดร้อนความทุกข์ทรมานแล้วก็การออกไปจากกิเลส ท, ทั้งหลายเนี่ยของกิเลส ท, ทั้งหลายแล้วก็จากกิเลส ท, ทั้งหลายคือไม่รู้ว่าความเกิดของกิเลสมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ตอนนีประชาชนคงนึกออกว่าเวลาสอนในแนวควาั่งพิสดารก็เรียกว่าระดับของกรรมฐานจะสอนให้ดูอาการของกิเลสที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจนเกิดโลภะขึ้นมาก็รู้ว่ามีโลภะเกิดขึ้นเกิดความพัญาบาตขึ้นก็รู้ว่ามีความพยาบาตเกิดขึ้น แล้วก็ดูกลับไปสู่อดีตว่าก่อนหน้านี้อนความพยาบามมันก็ไม่เกิดมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็สืบสาวไปถึงสาเหตุจริงๆที่เป็นเหตุที่เกิดก็จะรู้เอาก็จริงแล้วมันก็อยู่จี่ใจเราไปมองเอาเองคือไปคิดตดยเองว่าอันนั้นไม่ดี เสียงนั้นไม่ไพเราะรูปนั้นไม่น่าดูกรีดนั้นไม่น่าดมอะไรนะีอเกิดขึ้นจาการมองของเราเองความกลัวความยจ็บบาดมันก็เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วมันก็มองให้เห็นโทษคือความ ร, ร้อนที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในจิตยิ่งมากความร้อนก็ยิ่งมากความกระสับกระส่ายก็ยิ่งมากความทุกข์ก็ยิ่งมากก็เห็นทุกข์อยู่ในขณะนั้นด้วย ก็ต้องพยายามหาทางออกเราสามารถที่จะดับมันได้ยังไงแก้ไขมันได้ยังไงก็าต้องนองการดูโรครังกาบซึ่งหมายความันไม่ได้เกิดอย่างตลอดหรือต่อเนื่องเราต้องมีที่ไปที่มาของมันทั้งนั้นแล้วก็ทรงสอนในรูปความดับวิธีจะดับแต่ละข้อมันจะทํายังไงจะดับมันได้ ระดับไปได้บรรเทาหน่อยได้ไหมให้ส ง, งบเสหน่อยอย้ายมากเกินไปหรือว่าย้ายกินอย่าให้เผาล้นอยู่ภายในใจนานเกินไปใกล้ๆก็โรคใคล้ๆก็ไฟไหมใกล้ๆความหิวอะไรต่ดเนี่ยคือหมายความมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำยังไงอย่าให้อยู่นานเกินไปเป็นการมองในแนววิธีบรรเทา จนถึงก็สงบระงับดับไปในที่สุดไอ้ดับมันเป็นเรื่องใหญ่แต่จะมองในแนวที่ในรสละบรรเทาเนีมากกว่าประการต่อไปก็คือมองในเรื่องของความยินดีที่เกิดขึ้นจากการตอบสนองความต้องการของตนเริ่มหน้าของกิเลสที่จริงมันก็มีความยินดีะนะแต่ต้องมองในแนวเทียบเคียงเนี่เป็นเรื่องตสำคัญ อย่างเรื่องของพระเทรีทั้งหลายในเรื่องของพระปฏิกระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์ทั้งหลายที่เคยเล่ามาโดยทาดารรมดับเราจะเห็นว่าท่านมองที่ขเขียงทางนั้นไม่ได้หมายความปฏิเสธร้อยเปอร์เซนมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซนหรอกเพราะวัตถุกรรมทั้งหลายพวกรูปพวกเสียงพวกกลิ่นพวกรสพวกเย็ย น, น้อนตําแข็งคือหมายความว่าสิ่งทั้งหลายที่มีในโลกอ่ะที่เรากําหนดว่า คนคลาย่าผาดนาฬนาพอใจมันก็เป็นวัตถุกรรมของเราก็ไม่ได้หมายความมันไม่ได้ไม่จะเป็นวัตถุกรรมของคนทุกคนจะ เ, เป็นวัตถุกรรมของใครใคล้าก็สิ่งที่วางขายอยู่ในตลาดก็ไม่ได้หมายความคนทุกคนไม่ชอบคนไหนชอบคนไหนอยากได้สิ่นั้นก็มีที่ผลเนื้อใจคนนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีที่ผลเลื้อใจคนอื่นด้วยก็ดืงก็มองมาเฉยๆบิงทีเดินสะดุดเดืยบไปเลยก็ได้ม้นก็อยู่ที่ใจของบุคคลแต่คนแล้วในการมองในแนวเทียบเคียงอย่างพระเทรีรูปหนึ่งนั้นก็คิดง่ายๆนะที่พระสุมุตตาเทรีเป็นธิดาของพรามที่มีฐานะค่อนข้างยากจน รูปร่างดีสติปัญญาดีถึงเรื่องอะไรก็ไม่รู้ก็พอได้สามีก็หลังค่อมเมื่อเกิดเบื่อหน่ายในชีวิการครองเรือนจะขออนุญาตบวชพรบวชไปถึงในการประพฤติปฏิบัติกว่าจะได้รับผลแต่และเรื่องแต่ราวมันก็มีปัญหาจะรับกันแต่ตั้นก็มาคิดว่าเวเนีย้ยท่านก็พ้นไม่ได้สามอย่างพ้นความค่อมได้สามอย่าง โยคอมพรสากคอมโรครกหรือคอมพรสามีคอมรสากก็คือตามข้าวนะฮะกําหลังเขาคอมคอมโปรครบก็คือการพลิกข้าวการควนข้าวในครบก็ต้องก้มทางนั้นน่ะแล้วก็สามีที่หลังเขาเกวีนี้แม้จะประสบความเหนื่อยยากลําบากอาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์กิเลสอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่า เทียบกันแล้วมันก็ดีกว่าไอ้ตอนอยู่ที่บ้านพนระะตั้นก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติต่อสู้ความทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เหนื่อยยากลำ บ, บากกัไม่ใช่เบาไปนะที่จริงการทางานต่อสู้กับกิเลสเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ต่อสู้กับคนต่อสู้กับภัยธรรมชาติจะง่ายกว่ามันก็เป็นคราวๆไป แต่ต่อสู้กิเลสมันก็ต่อสู้กับทุกวันแต่ถ้าไปว่าอย่างไรมันก็ดีกว่าในสุดถ้าก็าประสบความสำเร็จหรือว่าระธรรมตินาเตรีแล้วก็มองเที่ยวเคียงเหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะมองนะคือตรงนี้เราค่อนข้างเห็นในชัดว่าพื้นฐานการมองเนะี่ยเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะ แล้วจริงมันไม่ใช่สิ่งนั้นคืออะไรแต่ปัญหาว่าใครมองแล้วก็มองอย่างไรแต่แนวการปฏิบัติที่จริงมันก็มีอยู่สองระดับนะระดับหนึ่งก็มองอะไรเป็นอะไรไปก่อนเพราะว่าตามปกติแล้วคนเราก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนกักหนาแช่นแนวแม่ก็ผ่านก็บัณฑิตเนี่ยเราเรียกว่ามองอะไรเป็นอะไรปะไปเลยหมายความว่าถ้าผ่านก็ไม่ครบก่อนนะ่ะ บัณฑิตก็ครบไปก่อนแต่คนเราถ้าฉลาดจริงๆเนี่คือจะหาประโยชน์ได้ทั้งจากผ่านและจากบัณฑิตจากผ่านเราก็หาประโยชน์ได้จากบัณฑิตเราก็หาประโยชน์ได้มีคนบางคนที่ได้บรรลุมรรคผลเพราะไปเห็นทันปรมานต่างๆในคุกในตารางก็แสดงว่าท่านหาประโยชน์จากคนผ่าน คนบางคนได้ฟังเรื่องนรกเรื่องความเรือดร้อนของสัตว์ในนรกไอ้ตัวเองกยังไม่ตกแล้วก็หาประโยชน์จากนารกได้ไอ้ส่วนบัณฑิตนั้นไม่ต้องพูดละแน่นอนท่านก็ได้อยู่แล้วดังนั้นเราจะสังเกตว่าพวกอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหลาย ส่วนใหญ่มันมันจะเริ่มต้นที่อะไรอะไรเป็นอะไรเอาดีกับดีกับกลางๆนะจะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ไม่ดีไม่เอามาใช้เพราะว่าใจเราไม่ไม่ไม่ได้ไแกล่งพอในตอนแรกๆแต่พอถึงจุดหนึ่งแนววิปัสสนาหรือแนวเป็นมองว่ามองอย่างไรแล้วก็ใครเป็นคนมอง ถ้าภูมิทำสติปัญญาท่านมีพ อ, อมีมากพอแล้วทั้งหาประโยชน์ได้หมดเลยทั้งจากดีทั้งจากไม่ดีแล้วก็จากกลางเพราะงั้นในสิ่งหนึ่งที่คนก็กำหนดว่าดีนะฮะเป็นวัตถุกลามสัพสมบัติฐานะตำแหนง่งยศอะไรต่ออะไรต่างๆที่จริๆชาวชาวโลกก็าเยอะแยงกันมันเอาเข้าจริงก็ไม่ใช่ชาวโลกเขออาเยอะแยะกันมันก็ปัญหาว่าใครอยอะแยะกัน โอ้คนไม่ได้ยือแยกกันทุกคนบางคนก็อยากขยายงรังเกียดระอาถึงกันหนีเข้าป่าไปเลยก็ไม่ต้องการเลยตามที่คนกลุ่มหนึ่งก็ก็กต้องการพระธรรมตินาเทรีเป็นพัญญาของวิสาขาเศรษฐีตำรวยมหาศาลแต่งงานกันแล้วก็ยังไม่ปรกากฏว่ามีลูกอะไรนะแต่งงาน ตมาวิสาขาอวสุกไปฝั่งเทเสในพุทธสํานักประจุมัผลเป็นพระนาคามีพระนาคามีเนี่ยแปลว่าผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกแล้วสมัยก่อนว่ า, านั้นยังเกิดอยู่นะแต่ว่าจะเป็นพุ่มอยู่ที่สุดภาวะตลอดไปแล้วก็นิพพานที่นั้นแล้วก็มีเบางกันในประวัติศาสตร์บางครั้งในท่านลงมาช่วยโลก แต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวนะไม่ได้มามบ่อยๆจามีปัญหาวิกฤตการจริงๆแล้วก็ลงมาช่วยแล้เสร็จแล้วก็กลับจิตใจของท่านนั้นละกามราคะกับปฏิฆะเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสมันเกิดเส้นเกิดพยาบาทมันเกิดจากปฏิฆะเกิเรากําหนดวอาไม่ดีเราก็เกิดพยาบาทเกิดโกรธ แต่ความรักความชอบความพอใจยินดีมันเกิดจากเขาเรียกว่าสุภาพสัญญาที่จริงมันก็สืบเนื่องมาจากการมราคะหมายความว่าการไปกําหนดอย่างนั้น่ะใจเราก็ต้องมีการรมราคะอยู่ถ้าใจเราไม่มีการมราคะเราก็ไม่กําหนดอย่างนั้น่้าละได้พอละได้มันก็เหมือนกับเหมือนกับพระภายในบ้านนะคือคารวาสสมุนีจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามก็อยู่เยอะนะ สมัยพุตธการจริงๆก็เยอะพระอุปสมบทิการะดับนี้มีเยอะพอไปถึงบ้านเนี่ยตามปกติธรรมเนียมของเขานะฮะปัญญาจะต้องส่งมือให้สามีรับสามีไปจับมือปัญญาขึ้นไนเพราะฉะนั้นไม่จับทรามันถึงไม่จับจะทหารอะไรให้เรียบร้อยให้รับประทานรับประทานไม่พูดด้วยนางทําดินนามเรื่องอะไร ก็สอบถามว่าแกมีความผิดอะไรตีว่าตัวมือจับก็ไม่จับแล้วก็จัดอาหารให้ก็ไม่พูดเลยสักคานะเนี่ยแต่ก็ดูหน้าตาก็ไม่ได้สแสดงความโกรธอะไรทน า, ส, า, าสัการเศรษฐีก็บอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเดี่องนี้ต้องฟังธรรมะบรรลุมากคผลแล้วไอ้กิจที่เกี่ยวกับ ก, การรองเรือนคือเรื่องแบบชาวบ้านนะ น, นะมันไม่มีอีกแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเธอต้องการจะอยู่ที่นี้ก็อยู่แล้วก็ครอบครองทรัพย์สมบัติตามสบายนะหรือไม่งั้นก็ขนทรัพย์สมบัติกลับบ้านได้จะไปอยู่กับครอบครัวที่บ้านคือบาการมองตรงนี้ถ้าถ้าถ้าคนขี้โลภหน่อยนะก็ให้ทรัพย์สมบัติอย่างนั้นก็กลายเป็นเศรษฐีปุ๊บปั๊บขึ้นมาทันทีทันใด เราก็คงจะเอาะนะส่วนใหญ่ผมคงเอาไงนะแต่ว่านางธรรมตินาท่านมองว่าเหมือนไก่น้ําลายที่สามีทมลงไปและจะให้แกก้มลงไปเลียก็ไม่เอาแกว่าแรงอนะไงแกบอกว่าเนี่ยเหมือนกับน้นําลายที่คุณทมและจะให้ฉันเอาศีรษะก้มไปรับแต่ฉันไม่เอาถ้าจะให้จริงๆก็ให้ฉันบวด วิาสขาขบวรส ก, กดีใจนะครจัดขึ้นวอไปแห่ไปเลยให้บวชบวชไปนานแล้วก็หนีออกจา ก, ออกจากนั้นนะไปมาเป็นเพียรที่มอกเมืองก็บรรลุมผลเป็นพระธรรมตัวนี้ประเด็นของการมองคือมองวัตถุ ก, กรรมโดเห็นว่าท่านเหน็นหมดทั้งสามอย่างถนะ้าเหน็นหมดทั้งห้าอย่างหรืว่า เกินหมดทางเหตุเกิดแล้วความดับเพราะพวกวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นมันเป็นสังขารมันไม่มีอะไรที่มันแท้ ย, ยังยืนมั่นคงอะไรจึงมีมากมันก็ทุกมากเดือดร้อนมากมีการงานมากมีภารกิจมากแล้วก็ทำชั่วได้มากด้ยความพอใจยินตี แล้วก็มองแง่ ม, งมันให้ความพอใจดีได้เทียบเคียงแล้วเนี่ยมันนิดหน่อยเรียกว่าให้ความสบายนิดนิดหน่อยให้ความสุขเพียงเล็กน้อยอัศทะแปลว่าท่านท่านแปลว่าความย็นดีแต่ก็มีความเย็นดีแต่ถ้าเทียบแล้วเนี่ยคือเราลองเทียบดูอะไรก็ได้เราลองท่าเทียบกินอาหารอร่อยที่สุดเลยก็ได้นะก็เป็นช่วงยังหวะสั้นๆ น, นิดเดียว และอร่อยก็ตอนนี้มันผ่านลำคอไปแั๊บเดียเองก่อนหน้านั้นตั้งเยอะหลังจากนั้นตั้งเยอะที่เราต้องเดือดร้อนเพราะมันกินเสร็จไปตั้งนานแล้วนะต้องล้างมือต้องแปรงฟันล้างถ้วยล้างชามโอ้ยเป็นมหากรรมเลยยิ่งวันเกิดยิ่งจัดวันเกิดยิงใหญ่เสร็จวันเกิดสามวันแล้ววัดยังเหม็นหึงอะไรอาหานันเป็นทุกขมั น, ม, น, ม, นมันก็เยอะใหญ่หมดเลย อันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ท่านมองในแนวเทียบเคียงไม่ใช่ปฏิเสธนะฮะแต่มองความจริงมันว่าอัตต า, า, าคือความยิน ด, ดีมันก็มีแต่ว่าเทียบเคียงแล้วนี่มันทุกขมืนมากทุกในการสแสวงหาทุกในการครอบครองทุกในการใช้สอยทุกในการป้องกันอาราาักขาทุกในการต้องต่อสู้เพื่อรักษาสิ่นั้นสารพัดเลยตลอดถึงเวกรกรรมต่างๆที่จะต้องติดตามไปเพราะว่าไปยื้อแย้งเรืเร่องต่าง เพรท่านมองในแง่ของความทุกข์ความขมขื่นความเดือดร้อนการสร้างเวททั้งภัยเนี่ยมันเทียบม า, ม, ามาบวกลบคูณหารเนี่ยบวกคูณหารแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์มันมากกว่าจะ้ะทีนี้มองถึงการออกเรียนนิสรณะคือมองแบบการออกไปเป็นการสลัดพันธการความผูกพันการเกี่ยวรัดการเกี่ยวข้องการสยบติดการเพลิดเพลิน ตรงใช้คำเยอะนะตรงนี้ตรงใช้คำเยอะเลยเดีวบนทีเพลิดเพลินกำนัดยินดีสยบติดแล้วจนถึงกาต่อสู้เพราะเรื่องอรนี้ยปัญหาเยอะเลยคือถ้าออกไปได้เนี่ยมันจะเป็นการลอยตัวไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มันก็ตรงนี้นก็ขึ้นกับมุมมองนะฮะมุมมองว่า เรามองจับฐานของอะไรถัว้วฐานใจเราอย่างสยบติดอย่อยางนั้นมันก็ทำทำทาให้เห็นภาพอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเล่ามันมันก็ไม่เคยเจอในชาด ก, กันนะแต่ว่าโบราณนี่เอามาเล่าลเลนคือฐานการมองที่ท่านเล่าถึงสหายสองคนรักใคร่กันมากแต่ในสุดคนหนึ่งทำความดีไปเยอะ คนหนึ่งก็ไม่ทำอะไรแต่ก็รักกันนะฮะต่อมาก็ตายจากกันปรากฏว่าคนทํำบมดีก็ตายไปเกิดเป็นเทวดาคิดถึงเพื่อนเห็นความสุขในที่ปยสมบัติแล้วก็คิดถึงเพื่อนก็อยากให้เพื่อนมาอยู่ด้วยดูไปดูมาปรากฏว่าเพื่อนมันเกิดเป็นนอนอยู่ไปช่วน ช่วยให้มาทําความดีมาเกิดเป็นเทวดาโดยการอธิบายสมบัติของเทวดาทั้งหมดเนี่ยนอนเห็นว่าแกดีกว่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าอะไรก็ตามอาหารที่เป็นทิพย์อยู่สบายมีเทพจีดามากๆลและอะไรของแกก็มากทั้นั้นแนหะแกก็สมบูรณ์ท่านั้นแกก็ไม่เห็นความแตกต่างเห็นความแตกต่างไม่เห็นความดีวิเศษระหว่างการระหว่างวัตถุกรรมการนิสัยกับการออกจากการม มันก็เห็นไม่เห็นไม่เห็นมันก็ไม่ไปอะะถ้าไม่เห็นจะไม่ไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามถ้าไม่เห็นโทษชัดเจนเนี่ยเราไม่เห็นเราไม่ไปไม่เห็นคุณชัดเจนเราก็จะไม่ไปมันจะต้องเห็นคุณเห็นโทษแล้วจึงจะไปจึงจะทิ้งสิ่งเหล่านั้นทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อไปเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยหมายความเป็นไงหมายความว่าเรามองเห็นโทษของสิ่งที่เรา ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราจะไปเอาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าแล้วก็ทิ้งแต่ถ้ามองไม่ชัดมันก็ไม่ทิงแต่ใ น, น ก, การมองเห็นทั้งสองด้านเนี่ยจึงเป็นฐานสาคัญในการมองตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาเราจะเห็นก็ตั้งก็มองอย่างนั้นเนี่ยระหว่างการเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิการเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ไม่ดี เพีเยงดีน้อยกว่ามีประโยชน์น้อยกว่าช่วงสั้นกว่าแล้วแพร่ขยายออกไปนี่ได้น้อยกว่าแล้วก็ทิ้งสิ่งหนึ่งก็เพื่อไปเอาสิ่งหนึ่งนิสนาคือการออกมันก็ต้องอาศัยการมองเห็นทั้งสามอย่างมองเห็นการเกิดมองเห็นการดับตัววัตถุกรรมเป็นของไม่เที่ยงแทนแน่อนอนภวิธิกรรมมายคุคะที่แปลว่าการผูกใจไว้ด้วย ความใคร่เนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างนะหมายความว่าใจเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ข้างนอกไปอย่างนั้นอย่งันะแล้วก็อยู่ที่เรามองให้ความสงคัญมันหมายความต้าคคัญมันก็เพลินมองให้ความสงคัญก็สนุกแต่ถ้าเราไม่ให้ความสงคัญจริงๆนะมันคงเป็นอย่างนั้นแต่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกมันก็แตกกลาไป ไอสิ่งที่ไปยื้อแย่งไปต่อสู้เนี่ยเตะเลยว่าบางทีเนี่ยมันมันไม่คุ้มอะไรเลยนะฮะไม่คุ้มอะไรแต่ว่าคนก็พร้อมที่จะทำบาปเพิ่มตรงนี้นั่นก็คือขาดขาดตัวความรู้ตรงนี้ตรงเน้นที่ตัวความรู้ก็แสดงว่าการรมโยคะมันาาก็นมีสองอย่างคือตัวนอกตัวที่เราเห็ น, ด, าานด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นอะไรก็ตานะ่าง คือตามปกติท่านไม่นับแต่ว่ามีเหมือนกันในปฏิปิโตพวกปฏิสัมพันามักอยู่ในเทพานิเทศเดีท่านับไปดูนับไปดูนี่เป็นเป็นเป็นพันๆเลยมันรู้กี่หน้าเลยไปเจอรายชื่อยาวเหยียดคือสรุปว่าเขาไม่ค่อยนับมันมันนับมันก็เสียเวลาเปาหมายความว่าสิ่งมันโลกความสัมผัสอ่ะคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาถ้าเราจะนับเป็นชิ้นเหมือนคือขึ้นห้างซับวสินค้าเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นไม่ชิ้นก็นับกันกี่วันก็ไม่รู้ มันไม่เสร็จทักทีเน่ยแต่ที่จริงๆคือสิ่งนั้นเราเห็นด้วยตาก็จบแล้วเกิดพูดแค่นั้นเองสิ่งที่เราเห็นด้วยตาอะไรก็ตามช่างใหญ่เล็กสวยงามไม่สวยงามสียังไงไม่รู้พูดจนพูดงามม่ายๆว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เรายิดยย ไ, าาได้รู้กลิ่นมันด้วยจมูกสิ่งที่เรารู้มาด้วยลิ้นสิ่งที่รู้ถูกต้องจะร้อนแข็งด้วยกาย แล้วก็ทรงเน้นตรงนี้อย่างหนึ่งว่าเขาเรียกผัสสะายตานะคือไม่เห็นโทษของของอายตานะเห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นโทษของสิ่งที่เราอยู่ข้างนอกคือรูปเสียงกษษษษลิ่นรสสัมผัสเราจะเห็นว่าพวกนี้มันหาเรื่องให้เราเยอะให่มากตาในก็หาเรื่องในเยอะหูก็หาเรื่องจมูกก็หาเรื่องลิ้นก็หาเรื่องกายก็หาเรื่องจริงๆมันเกิดจากายหาเรื่อง แล้วก็พวกน้นก็กลายเป็นเรื่องหรือนานําปัญหาสารพัดมาให้ตรงใช้คำว่าไม่เห็นโทษของผัสสะยัตนัหมายความว่าไม่เห็นโทษของของโลกวัตถุนะฮะรูปวัตถุทั้งหลายแต่จริงๆมันก็มีทั้งนามธรรมและรูปธรรมนะเระาระตัุกลามันก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าท่านจะเน้นไปในส่วนรูปัธรรมเพราะอะไรเพราะส่วนที่เป็นความคิดที่จริงมันก็คิดจา ก, กรูปปัจธรรม ได้ความคิดจากสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้นด้วยลิ้นถูตกต้องด้ยกายแล้วเราจําไว้แล้วก็นํามาคิดเนะี่ยคิดไปคิดมามันก็เป็นวัตถุมันไม่ใช่เป็นตัวนามธรรมหลุนหวนประการต่อไปก็คือภาวะโยคะภาวะโยคะในที่นี้หมายถึงนั่นเลยนะคือคือว่าปริยายในการเท็จก็แล้วแต่จะเท็คือภาวะไประกพบแต่มั น, ม, นมันก็แปลได้หลายหลายอย่างนะ แในความเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นนะเช่นพระพุทธศาสนาที่อธิบายก็เน้นที่ความเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นแต่ว่าตรงนี้มันก็เน้นที่ความเป็นเหมือนกันแต่ว่าเป็นในภพชาติที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าการทําบุญอะไรบางอย่างคือท่านท่านจะแสดงเป็นเป็นสองอย่างนะสองระดับ ระดับวัตกรมีคือมุ่งตกแต่งพบชาตินั้นอีกระดับหนึ่งก็หมายความมาสร้างพบสร้างชาติให้ระนีตขึ้นแต่จริงๆท่านทั้งหลายเราตระเกีมันเกิดจากภูมิจิตเราที่ประนีดขึ้นถ้าภูมิจิตเราไม่ประนีดพบมันจะประณีดอย่างไงเนี่ยมันไม่ให้ความสุขอะไรเลยสมมติว่าไงสมมุติรวมบ้านคฤหาดอย่างบีหรูหราหมาหมาสารเนี่ย แต่ภายในจิตใจเราเรล่าร้อนด้วยแรงริษยาอาฆาตพยาบาทวิตกกังวลเดือดร้อนประสาทหายไปเลยแทนที่มันจะเป็นสวรรค์วิมานมันก็ไม่เป็นเพราะตัวนอกไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นแต่วันเป็นอยู่ภายในใจเราหรือถ้าใจเราไม่สงบมันอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงบเพราะงั้นออกก็จริงสวรรค์วิมานมันก็วุ่นวุ่น เทวดาก็มีเรื่องทะเลาะวิวาสบาดถลุงกันอยู่เยอะแยะไปหมดเลยก็ดีหน่อยกับพวกพรห ม, มนะฮะพวกเทวดามันก็ดูวุ่นวุ่ ร, รัฐอเอาเปรียบแต่ว่าเราลัทธิของเราคือว่าคนเราส่วนมากก็แปลกคือถ้าเทวดาแล้วเนี่ยมันสยบหมดเลยคือยอมหมดเลยยอมให้เทวดาไปหมดเลย ท, ท, ทั้งๆที่เทวดามันก็มันก็คือสัตว์โลกชนิดหนึ่งนั้นเองแต่เรา ถูกฝังถูกปลูกฝังให้มีความคิดในลันกษณะยอมสยบพระราหูให้โทษก็ต้องบูชาให้โทษจะบูชาทำไมให้โทษยังไม่ต้องไปบูชาเขาอีกคนก็เป็นจตุวะไปบูชาก็อีกเฉยๆก็ยังดีอันนี้คือคือคือมันก็ก็มีลักษณะเป็นเป็นเป็นการยอมสยบยอมสยบตานาจเหล่านั้นแต่ที่สาคัญงยิ่งก็คือว่า ความเป็นพบทั้งหลายเนี่ยที่จริงมันมันไม่มีอะไรคือเป็นของไม่เชื่องเหมือนกันเพียงแต่ว่าพว่วงระยะเวลาที่ก็อยู่กันนานนั่นเองไปนานบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ดีนะฮะเลยว่าการเกิดในพบในชาติบางอ่างถ้าเรามองอีกระดับหนึ่งว่าการจะให้บรรลุมรรคผลได้อะไรเนี่ยหรือการอยู่ในพบชาติอย่างนั้นพระพธทธศตสนาท่านไม่ไปท่านไม่เอา พระพุทธเจ้าคือว่าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์นั้นท่านไม่เอาท่านไม่บังเกิดเป็นพรมเพราะอะไรว่าพรมมันนานนะฮะมันอยู่นานเวลาแยะพระพุทธเจ้าเกิดมาทั้งสองสามองค์อะไพวกนี้ไม่ได้จุติมันตั้งกีเนี่ยเป็นการทําลายโอกาสทําลายจังหวะและในการสร้างบารมีมันก็ทําลายการสร้างบารมีมันเป็นเป็นเป็นพบภูมิที่เสวยผล ตกลงว่าการมองแบบพระโพธิสัตว์มันก็มองมองหมดทั้งสองอย่างหมายความว่าการบังเกิดในสุเปติมันก็เป็นผลของความดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็มีความแปรผันแปรปรวนไปการมาเกิดพบที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือเป็นโพรโมโลกมันก็เสียเวลาเสียเวลาในการสร้างสมความดี วันท่านก็ไม่คล้องในภพทั้งหลายจนถึงก็ตัดภพในที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองอีกระดับหนึ่งนะมายความว่าระดับที่เราจะทําตนหลุดพ้นจากสังสารวัฏทุก์จริงๆเนี่ยก็ต้องไม่คล้องไม่ติดในภพเหล่านั้นแต่มองระดับศีลธรรมจัญญามันก็คืออีกระดับหนึ่งนะมาความมาภพชาติเหล่านี้ที่จริงมันช่วยจิตเราไปนี่ขึ้นไปด้วย แล้วทั้อารมณ์สภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ค่อยกระตุ้นกิเลสอ่ะนะท่านทั้งหลายอยลองสังเกตว่าสภาพจิตของเราเวลาอยู่ที่บ้านกับอยู่กลางถนนเนี่ยมันติดกันเยอะสภาพจิตอยู่ท้องถนนจะไม่ค่อยสงบสงอบเงียบแต่สภาพจิตที่อยู่ที่บ้านนะะบ้านดีๆหน่อยไม่จะทะเลาะ ก, กันนะคืออยู่กันเรียบร้อยหน่อยมันก็สงบดี ก็แสดงว่าถ้าสภาพไปล้อมมันกื้อกูุเนี่ยอกิเลสมันไม่เกิดบ่อยถึงเกิดก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่เพราะภพภูมิเหล่านี้เป็นสภาพไปล้อมที่ดีจะทําให้กิเลสมันก็ลดลงไปคือไม่ถึงกันแรงแก็ผิดแหละโอสรวันก็ยังมีกิเลสแต่ว่ากิเลสไม่ใช่กิเลสแบบมนุษย์คือไม่ใช่แรงแบบมนุษย์พอ้าไป ม, มีกิเลสก็อนิพาน อันนี้ก็คือสอนมองสองระดับแต่ในที่นี้เนื่องจากไปเน้นไปเน้นเต็มที่นะฮะหมายความหมายมองเพราะไม่มองเห็นการเกิดการดับความยินดีและความผมุคืนความทุกข์นะแล้ว ก, ก็การออกจากพมเราจะเห็นว่าการเกิดดับการเกิดดับเป็นตัวสภาวธรรมก็หมายความเป็ยังไงถ้าเรามองอริยสัจท่านจะเห็นว่าตรงนี้คือทุกขสัจ ตัวนี้คือทุกข์กษัตริย์แต่นี้ความยินดีความยินดีเนี่ยมันก็เป็นเป็นตัวสมุทัยศัสตร์ความทุกข์ความความไม่สบายไปส่งนั้นก็เป็นทั้งทุกข์ทั้งทั้งสมุทยัยการออกเนี่ยเป็นนิโรธแต่ยั่าการออกเป็นโรคก็ใช้คําเพียงห้าคำแสดงอริยศาสตร์จะจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเราแยกหรือไม่แยกแต่นั่นเองอ ถ้าแยกแล้วก็จะเห็นว่าทุกครั้งนี่คืออริยสัจ ส, สีที่สอนทุกครั้งไปคืออริยสัจรีทั้งนั้นแต่มันแตกต่างเฉพาะวิธีสอนเท่านั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาแล้วเนี่ยคือต้องการให้ลดความลดกิเลสนะฮะเพื่อจะลดทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขโดยการปฏิบัติไปตามตามองค์ธรรมก็ได้ก็ได้ในที่นี้ทรงเน้นไปที่ตัวนิสรณะคือการออก ใ้ความตาเรามองระดับกรรมฐานก็คืออุปสมานุสติคือตั้งสติเราลึกถึงนิพพานหรือกฎของนิพพานแล้วก็มุ่งมั่นที่จะสัมผัสผลเหล่านั้นปฏิบัติให้รับผลเหลนัน้นเพราะวาโยคะจึงมีสองระดับนะระดับหนึ่งก็คือความอยากเป็นทั้งหลายเนี่ยนั้นเป็นนี้เป็นโน้นก็อยากไปเรืๆหรืออีกระดับหนึ่งก็คือความติด แต่ความอยากได้บังเกิดในภพที่ประนีตอยากได้สวรรค์อะไรท่านลองถ้าลองสังเกตแนวของพรุทธเจานี่ยจะเริ่มชี่ตัวตนนะแล้วค่อยขยายตัวตนออกไปเรื่อยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพวกเดียวกันแล้วในสุดมันจบที่ไม่มีตัวตนจบที่ไม่มีคือมันเริ่มที่ตัวตนน ะ, ะเพราะว่ามันเรื่องโลกก่อนแล้วก็พูดไปเรื่อยมก็แผ่ตัวตนออกไป แทนที่จะนึกถึงตนมันก็ขยายคนอื่นไปเป็นก็นเป็นเพื่อนร่งงวมทุกเกิดแก่จะตาดยด้วยกันก็มีตัวตนน่ยนะจะยอมรับสิทธิในตัวตนของกัรเป็นกั น, กนจนปฏิบัติไม่ร่วงละเมิดกันแล้วก็ขยายขึ้นไปจนหมดตัวตนอันนี้ก็ก็เหมือนกันพบนี่อาศายัยพบเพื่อทิ้งพบนะกาอาศายัยกาเพื่อทิ้งกามวัตุกาณ์นะอาศายัยเขาเรียนนะอาศายัยเขาเรียนอาศัยเขาเป็นเป็นเครื่องอาศายัยแต่ว่าเราทิง้งอาศายัยเพื่อจะทิง้ง เวลาสอนบางทีก็ทรงอุปมาให้ดูเหมือนกับเราอาศัยแพ่ข้ามฝากสมัยนั้นเรือไม่ค่อยมีนะครับก็พูดถึงแพ่อาศัยแพ่ข้ามฝากในขณะที่ลงจากฝั่งแล้วก็เหยียบลงแพ่เราต้องอาศัยก็ตลอดพอขึ้นอีกฝั่งหนึ่งพอถึงอีกฝั่งหนึ่งเราต้อขึ้นฝั่งเนี่ยเราต้องทิ้งข่าแต่เราไม่ทิ้งเราขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นก็คือแนวธรรมะที่แนวว่า อาศัยแล้วก็ทิ้งอาศัยแล้วก็ทิ้งอาศัยแล้วก็ทิ้งบางทีก็ส่งอุบมาว่าเหมือนก็บดนทางหลายครั้งเดินทางโดยรถเจ็ดคั้งในช่วงอาศัยก็อาศัยช่วงทิ้งก็ทิ้งถ้าช่วงต้องอาศัยไม่อาศัยก็ไปล่อยไม่ได้ช่วงที่ควรทิ้งถ้ายังไม่ทิ้งมันก็ไปล่อยไม่ได้คือขึ้นรถอีกคันนึงไม่ได้มันก็เป็นการไปบัติไปตามจังห ว, วะว่าช่วงนี้เราพูดเรื่องอาศัยหรืพูดเรื่องทิ้ง เราต้องอาศัยขาเช่นจ า, จากนี้ถึงโน้นอ้าวห้าสิกิโลห้าสิบกิโลก็ต้องอาศัยกระฟันแล้วพอถึงกิโลที่ห้าสิบพอลงมันก็ต้องอาศัยยานอื่นหรือรถอื่นหรือเรือหรือเครื่องบินอะไรมันก็ต้องทิ้งขันนี้แล้วก็ขึ้นอีกขันมันก็ไปต่อต่อกันไปนี่แนวเรียกว่าอาศัยเหมือนกับแพ่มันก็ยานภานะเหมือนกับรถที่เราต้องอาศัยไปเรื่อยๆแต่จุดถึงต้องทิ้งเพราะารพบก็ทิ้งนะะ แต่ว่าธรรมะในแนวโนบพิษคถาเราเห็นว่ามันขึ้นพบไปเรื่อยๆพอไปถึงอริยสัจสีทิ้งพบครับแต่ตอนต้นๆสร้างพบนะทานก็สร้างพบนะสีนก็สร้างพบนะทานก็สร้างพบสีนก็สร้างพบมันก็ไปนี่ขึ้นไปเรื่อยๆทานศีนยิ่งไปนี้เท่าไรพบมันยิ่งไปนี่ขึ้นไปเท่านั้นแต่เสร็จแล้วก็ให้สอนกลับมาดูพบดูการเกิดดูความสุขทั้งหลายก็เรียกว่าดูให้เห็นโทษ จริงๆมันก็ขึ้นสวรรค์ทานศีลแล้วก็สวรรค์ใช่ไหมฮะพอสวรรค์แล้วให้ดูโทษกลับมาดูพิจารณาดูเพราะว่าเรามีประสบการณ์เยอได้กลับมาดูใหม่ดูดูการเกิดดูการดับดูความยินดีแล้วดูความทุกข์แล้วก็ดูว่าจิตที่มันออกจะผิดอย่างนั้นก็ดูเห็นทั้งห้าช่วงประการต่อไปเป็นพวกทิฏโขะเรียโอฆะคือทิฏฐิเป็นความเห็น เป็นความเห็นแนวที่เกิดกิเลสแรงนะท่านทั้งหลายเห็นว่าแนวที่เกิดกิเลสแรงก็คือแนวที่เห็นว่ามันเที่ยงแท้แน่นอนที่จะเพิ่มกิเลสนะแนวอีกแนวหนึ่งก็คือแนวอุเฉตตาทิฏฐิมันสองแนวที่จะเกิดกิเลสแรงเรียกสัตตาทิฏฐิอุเฉตทิฏฐิสัตตาทิฏฐิจะเกิดแนวคว้าแนวคว้าอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นนท์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนงกควาไปเลยเพราะเข้าใจว่าตัวเองจะ เป็นอย่างนั้นตลอดไปหรือว่าบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นตลอดไปหรือว่าอยู่ในภพนั้นตลอดไปอะไรเนี่ยซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดมาขัดแย้งกับความจริงหรือท่านเรียกว่าสิงต่างหลายไม่เที่ยงไงนะมันก็ขัดแย้งกับความจริงแต่เราก็ค้ากันอย่างนั้นเพราะว่าลึกๆเนี่ยมันสัสตวต่างทิปัญหาตั้งหลายก็มันเกิดจะสกสตัตว์ต่างทิคนไม่ค่อยคิดนะะว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงเราต้องจำ ไ ป, ไปล่อควายแสวงหาต่อสู้กันมากมายกลากอง ย, ยังข่าวคาบน่ะหน้าหนังสือพิมพ์โทรทัศน์อะไรๆที่จริงมันสอนธรามาได้ดีมากโดยเฉพาะอนิจจตาทุกตาสอนได้ดีมากแล้วก็สอนให้เห็นเรื่องปัญหาอัจักรรมทั้งหลายทุกวันนะฮะเราจะสรุปสรุปแล้วเราจะเห็นว่าปัญหาทุกเรื่องนี้มีการทะเลาะ ก, กัน จนสร้างความชั่วความผิดสารพัดเพื่อแย่งสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกเอนต่ากันเพื่อได้มาเพื่อครอบครองสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเอนต่ากันแต่คนทำบาปแยะเพื่อจะได้สิ่งเหล่านี้ต่อสู้กันใส่ใครกันเปลี่ยนกันแม้แต่ข่าวภาคต้อย่างเดียวก็ทะเลาะกันไปเรื่องอย่างนี้อันนี้ก็คือคือเราเห็นได้ชัดเลยว่าเราทำชั่วเพื่อแย่งสิ่งที่ไม่เที่ยงแย่งสิ่งที่มันไม่มีอะไร เพราะสิ่งเหล่านั้นตไไ่อ ไ, ไม ป, ป, นนน ป, อ ป, ปอมันไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เราแยกไม่ว่าจะเป็นยศเป็นอำนาจเป็นตำแหน่งเป็นเงินเป็นทองมันไม่มีอะไรเลยเราต้องทิ้งมันหรือมันก็ทิ้งเราอะนะครับมันก็มีสองอย่างแล้วมันอาจจะเอา เ, อเป็นสื่อนำความตายมาสู่เราก็ได้เพียงแต่เร า, เร า, เ, ราเราไม่ได้คิดต่อตอนนั้นเองพระเจ้าท่างก็คิดจะกข่าวเหล่านี้จากเรื่องราวต่างๆหล ทีาได้เห็นอะไรได้ยินอะไรมาอย่างอยางอย่างที่ยกตัวอย่างพร ะ, พระธรรมทินนากับพระสุมุตตาท่าต้อคิดจากจากจากสิ่งที่ท่านสัมผัสนั่นเองเพราะนั่นไอ้ทิฏฐิเนี่ยมันก็มีสองอย่างคือม้าความอาการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเที่ยงแท้อย่าลืมเราเนร์นึกว่าเร า, าเราที่ยงแท้นะเราไปเผาคนอื่นเราไม่ได้คิดถึงเร า, าจะตายคนอื่นตายเราก็ไม่คิดถึงเราจะตาย เพราะถ้าเราคิดี่เราตายด้วยแล้วเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนอะไรเแต่ว่าเขาไปก่อนเราเราก็ไปทีหลังแล้วเราก็ได้อนุสติเยะได้สติได้ความคิดความเพียรพยายามที่จะมองเห็นชีวิตมันก็ใกล้ตายเข้าไปทุกวันการมองแนวใกล้ตายเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยมองดีกว่าคนรุ่นเราทั้งนัที่ว่า ในความใกล้ตายของท่านจากภูอนอกเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรอะไรอุบัติเหตุทั้งหลายเนี่ยนะภัยธรรมชาติอุบัติเหตุทั้งหลายไฟฟ้าช็อตตึกถล่มรถชนการเครื่องบินตกอะไรอะไรมันไม่เคยมีนะฮะแต่ว่าท่านท่านมีวินสติดีกว่าคนรุ่นเราคนท่าคนแก่เนี่ยท่านจะนับเป็นผ้านุ่งเนเออี่ยเฮ้ยจะไม่มีกี่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งน ะ, ะนับเป็นผ้านุ่งนะไม่กี่ผืนล้แล้วก็จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปเนี่ย ก็ลดกามมรอยกามโยคะฮะแต่ไปเพิ่มภาวะโยคะหมายความว่าต้องการมาเกิดในสวรรค์ ส, ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเกิดในสวรรค์ทําบุญเพื่อสวรรค์อันนี้มันมันมันเป็นระดับระดับเขาเรียกว่าระดับวัฏฏกรรมอีกุศลซึ่งก็เป็นธรรมะระดับศีลธรรมจัญญานะไม่ใช่เป็นเรื่องความเสียหายอะไร<ม>นอกจากว่าจะไปพูดเรื่องอีกเรื่องหนึ่งอีกระดับหนึ่ง ทีนี้ทิฏฐิอีกแนวหนึ่งในใจเห็นว่าก็คืออุเฉทิฏฐิก็ถือว่าขาดสูงมันก็ออกมาในรูปของภาวะทิฏฐิมไม่ใช่วิปะวะวิปะวะตัณหานะฮะวะิวตัณหาความไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นต้องการในปิบัติ ท, ทําลายอะไรแต่อะไรก็ว่ากันไปพวกนี้มันก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเราไม่ได้เห็นความเกิดไม่ได้เห็นความดับไม่ได้เห็นโทษไม่ใชไม่ไม่ได้เห็นความยินดี ไม่ได้เห็นโทษแล้วก็ไม่ได้เห็นการออกจากที่ติดเหล่านี้เพราะถ้าเราถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในการเกิดเนี่ยเกิดพวกนี้เกิดมากเท่าไหร่มีปัญหามากเท่านั้นวันก่อนฟังฟังเทพอาจารย์ดำนงแล้วอ็พิปรายเรื่องเรื่องวิญญาณเรื่องวิญญาณอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้อนอะไรต่ไรเนี่ เป็นเทพเขาบรรยายอบรมวิชาศีลธรรมของครูแล้วก็มีคนคนหนึ่งเขาลุกขึ้นลุกขึ้นออต่อว่าในที่ประชุมนี่ก็ไปปลายแล้วคนคนสําคัญทสำคั ญ, คญใช่คําแรงไม่น่าเชื่อแต่แกไมบอกว่าใครแต่มาอย่างนึกอย่างนึกถึงชื่อคนคนว่าไอ้ประโยคนี้มันน่าจะเป็นคนนี้พูดแกบอกว่าใครถือว่ามีวิญญาณเนี่ยโง่บัดซบเล่นในที่ประชุม เลที่ประชุมว่าแล้วผู้ใหญ่ตอนนั้นเองนั่งนั่งข้างบนนะพิปลาโยดเน่ยแกลุกขึ้นพูดได้่ว่าอย่างนี้นก็เออคนอย่างนี้มันก็มีเป็นการนะฮะที่จริงวิญญาณมันก็เป็นสมมติเอานะเป็สมมนสมมติเราไป ย, ยึดติดในสมมติคือยึดติดว่ามีมันก็โง่นะ ย, ยึดติเราไม่มีมันก็โง่เพราะมันเป็นอุปท า, านดังนั้นอุปท า, านด้วยด้วยกันดังนั้นก็คล้ายๆกับปัจจุบันฐากั บ, บ, บวิปัจจุตันฐานเนี่ยนะนะมันก็เป็นตันหาด้วยกันะ ตัณหาด้วยการในสมมติว่าเรามีฐานะมีตำแหน่งที่จะเป็นอะไรรับผิดชอบอะไรได้แล้วแล้วเขาก็มอบหมายแต่งตั้งให้เราเป็นเราก็บอกเราไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องการจะเป็นไม่ต้องการจะเป็นมันก็เป็นมิภาวะตัณหาถ้าต้องการจะเป็นอยากจะเป็นมันก็เป็นภาวะตัณหามันก็เป็นตัณหาด้วยการนั่นแล้ไอ้นี่คือคือเรา เราไม่เข้าใจว่าจริงๆการใช้คําอย่างนั้นความเชื่อเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันมีที่ไปที่มาแล้วก็เชื่อในแง่สมมติที่นี่คําด่าก็อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นวจีทุจริตเดี๋ยวนด่าก็อย่างนั้นอใช้คําแรงมากนะปกติเขาไม่ใช้คําขนาดนี้กันหมายความว่าเรื่องหนักๆจริงๆเนี่ยใช้ใช้คําขนาดนี้นะแต่ว่าไปเล่นเขาในในที่ประชุมเลยผู้ผู้ใหญ่เหล่านั้นก็งงไปเลย เราไม่ได้ดูน้ำหนักเราไม่ดูน้ำหนักว่าการการพูดเรื่องนี้มันพูดได้แง่พิชาการแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงวิญญาณเนี่ยนะโดยลืมไปโดยลืมไปว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ ก, ก็ก็ถูกคุณด่าด้วยพระเจ้าก็แสดงวิญญาณมาเยอะแยะไปหมดเลยอั น, นี้คือคือเราไม่พิจารณาไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกภาคหนึ่งมันก็มีปัญหาเหมือนกันถ้าคุณถือว่าเที่ยง มีปัญหาถือว่าขาดสูนมันก็มีปัญหาเพราะถือว่าเที่ยงมาเป็นศาสตร์นิติถือว่าขาดสูนย์มันก็ถือเป็นอุเฉรุติทิเพราะอะไเพราะว่าสิ่งทั้งหลายมันมันจะไปบัญญัติในแนวอะไรตรงๆอย่างนั้นไม่ได้มันมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยฝนจะตกตลอดไปไหมมันก็ไม่รู้แต่มันไม่มีไอ้ตกตกตลอดไปเพราะขึ้มนมาจากเหตุปัจจัยถามว่าฝนฝนจะตกอีกไหมเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกเนี่ยไม่มีอ่ะมันก็ต้องตกแต่ว่าตกเมื่อไรเราไม่รู้ อันนี้ก็คือคือมองในแง่ที่มันเป็นความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นความจริงชั้นสมมุติก็คือชั้นสมมุติมันไม่มีใครผิดใครจะเรียกยังไงก็ได้มันป เ, มม เ, เป็นเรื่องสมมุติเอาเป็นเรื่องสมมุติเราเรียกยังไงก็ได้แล้วคุณจะหมายอะไรก็ได้มันก็แล้วแต่คุณจะสมมุติเอาก็เหมือนกับคนเราเนี่ยเราสมมุติว่าคนทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าคนอะ่ะ เราเรียกว่าแมวสมมติอย่างนั้นเราเรียกคนว่าแมวนะ่ะและคําว่าคนก็กลายเป็นคาําด่ากลายเป็นคาําด่าเพราะไอ้คําว่าแมวแต่จริงมันก็สมมติเอาใช่ไหมคําว่าแมวคำว่าอะไรต่งางยมันเป็นคําสมมติทั้งนั้นนะี่ะเรียกอะไรก็ได้สมมติแล้วก็ยอมรับกันยอมรับคำ ก, ก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่ทีนี้พ อ, อเขาเรียกเราไปอย่างอื่นเนี่ยฮเราก็โกรธ เราก็โกรธทั้งๆได้เรียกอย่างอื่นมันก็เป็นสมมติเหมือนกันอันนี้คือคือธรรมะที่เราจะต้องมองด้วยความเข้าใจด้วยความเข้าใจแล้วถ้าถ้าเข้าใจครบทั้งห้าอย่างอนติว่าเนี่ยจะได้ประโยชน์มากทิฏฐิเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันก็ไปยึดติดอย่างเนี้ยหมายความว่าแนวนี้ก็คือแนวยึดติดว่าวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีมันก็เป็นอุเฉสติทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกตัวหนึง่ง ถือวิญญาณเชียงวิญญาณมีตั้งแต่มันก็เป็นศาสตาทิฏฐิเห็นไหมว่าถ้าจะถือว่าอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นด้ลยเพราะจริงๆทิฏฐิมันมีอยู่สองตัวไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่ว่าตรงนี้ต่นนั้นถูกตรงอื่นผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันจะอมีมีกฎเกณฑ์ของมโนวิญญาณหมายถึงอะไรก็ต้องพูดกันเจ้าก่อนวิญญาณเนี่ยแต่ละศาสนายาอมมันเฉียงกันมันความหมายไม่ตรงกัน เขาก็ว่าอย่างสลาวก็ว่าอย่างพูดกัเราว่าเยอะอินเดียก็ว่าเยอะนะแต่เป็นคําอย่าลืมว่าเป็นเรื่องสมมตุติเป็นภาษาที่เขาบัญญัติเรียกกัน เ, ออเขาก็เชื่ออย่างนั้นเขาก็เรียกอย่างนั้นอาจจะเรียกอะไรก็ได้อาจจะเรียกไม่เรียกว่าิญญาณก็ได้แต่หมายถึงสิ่งนั้นอย่างใกล้ๆ ก, ก็เขาเรียกว่าอะไรศัพท์เหมือนกันภาษาเหมือนกันนะแต่ความหมายต่างกัน คือความหมายอย่างเดียวกันแต่ภาษาต่างกันาจะลูกฝรัง่งอาจจะเรยียกว่ายา่าหมูอาจจะเรยียกว่าชมพู่อาจจะเรยียกว่าฝรัง่งอาจจะเรยียกว่าหมากสีดามันก็ลูกฝรัง่งเห็นว่าภาษาเนี่ยมันต่างกันแต่ว่าจริงๆมั น, มนหมายถึงสิ่งเดียวกันบางอย่างเนี่ยภาษาเหมือนกันแต่ว่าหมายต่างกัน ยังคำว่านากในภาษาไทยภาษาบาลีนี่เยอะกว่ามมายนี่ฮะคุณต้องดูว่านากในหมายตั้งไรนาคบางทีหมายถึงผู้เสียงตำรวจบางทีหมายถึง ง, งูบางทีหมายถึงช้างบางทีหมายถึงต้นไม้บางทีหมายถึงพระอาหารหันต์คำว่านาคนาคคำเดียเขียนเหมือนกันเลยอันนี้คือเรื่องสมมุติตึงสมมุติเอาประการต่อไปนั้นคือสุดยอดของเขานะฮะอวิชโชคะโอคะคืออวิ ช, ชา อวิชาในที่นี้ทรงเน้นไปที่การไม่รู้โทษนะการไม่รู้ทุค์คืออวิชาจริงๆที่โทษไอ้ตัวไว้จริงๆคือไม่รู้อรอยิยสัจ ส, สีท่านนับจริงๆนับแปดจางนะอวิชาเนี่ยนับแปดจางเรียกว่าไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติแต่ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีต อดีตก่อนย้อนไปสู่ชาติต่างๆและอนาคตอนาคตจากขณะนี้ไปจนถึงเท่าไรก็ตามนะฮะกี่พวกกี่ชาติกันตา่างไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและไม่รู้กฎของเหตุผลที่เรียกว่าปฏิยากานั้นคือเรื่องการวิชาแต่ว่าการจะแสดงเนี่ยมันก็แล้วแต่จะแสดงตรงนี้ก็เอามาพูดเฉพาะคือคืออย่าลืมว่าไอส้สข้อหลังเนี่ย สี่ข้หลังไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้กฎปฏิจจ ա ตุมภะที่จริงก็คือไม่รู้อริยสัจสแต่รู้ยสัจสี่มันก็รู้แหละเพียงแต่ขยายให้ดูว่าเพราะเพราะไม่รู้อย่างนี้มันไม่จะนําไปสู่ความไม่รู้อย่างนี้อย่งนี้ยงี้เราเห็นว่าอดีตพอได้ญาณมันก็รู้ตีตังสยานรู้อดีตรู้ชาติอดีตก็เป็นบุพเพณวิสัยในติญาณอนาคตก็เป็นอนาคตังสยาดนะปัจจุบันก็เป็นปัจจุปนังสยานญาณจะรู้ ปัจจุบันมันเกิ ด, กดรู้ก็เองอายานตัวนี้มันเกิดจากการปฏิบัติไปมากเ อ, อนับแปดก็ได้ น, นับสี่ก็ได้นะนับสี่ก็ได้ก็ทรงสอนให้เห็นว่าเพราะเราไม่รู้ตัวอริยสัจแต่หมายความวาเฉพาะในที่นี้ทร ง, งเน้นคำห้าคำเหมือนกันนะฮะหมายความว่าไม่รู้เหตุเกิดไม่รู้ความดับไม่รู้ความยินดี ไม่รู้ความทุกข์แล้วก็ไม่รู้การราออะล ỏ กหมายความว่าธรรมะทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตเราเราต้องรู้สถานะของมันให้ชัดเจนสถานะของมันเป็นยังไงก็รู้ตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ยอมรับความจริงส่วนนั้นแม้แต่คนเองนะฮะถ้าเรายอมรับสถานะเขาเนี่ยเราไม่เดือดร้อนอะ เดือดร้อนก็ขุนไม่เดือดร้อนกับสัตว์ไม่เดือดร้อนกับแมวไม่เดือดร้อนอะไรไม่ต้องไปเดือดร้อนอ่ะบางทีหมาเห่าก็เดือดร้อนหมาไม่เห่ามันก็นไม่ใช่หมาไปยุ่งมันทําอะไรห่ะก็ยอมรับสภาพกับหมามันก็เห่าอย่างเงี้ยแมวแมวก็โซ่อย่างเนี ah. าา้ยแมวทําของแตกแมวกระโดดจับหรูทําของแตกแจกันแตกทําวิทยุพังพังก็พังอ่ะมันก็เลี้ยงแมวนะแมวก็แมวแมวก็เป็นอย่างเงี้ยแมวที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหะ เราต้องรู้ตั้งแต่ว่าบันแมวเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเรารู้ตั้งตั้งตั้งแต่เกิดเป็นแมวมาเนี่ยนะเรายอมรับทุกอย่างของแมวมนก็จบกันจบกันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยทีนี้พวกคนเนี่ยคนเราที่มันต่างกันเนี่ยถ้าเรายอมรับเพราะ ม, มก็เป็นอย่างเงี้ยมันคิดได้อย่างเงี้ยบางทีคนเดือดร้อนนะคนชายกับคนขับรถกับคนอะไรต่ออะไร ไปเดือดร้อนอะไรกับเขาอ่ะเขาเขาเขาคิดได้อย่างเราก็ทําได้อย่างเราเขาก็เป็นเราเขาไม่ได้เป็นเขาที่เขาเป็นเขาเนี่ยเพราะเขาไม่ได้เป็นอย่างเราเราต้องยอมรับสภาพแก ค, คิดได้อย่างเงี้ยแกก็ทําได้อย่างเงี้ยแกรับผิดชอบปังไม่รับผิดชอบปังแล้วก็ในพวกเขาเอมก็มียิ่ยงมียอดกันผู้ค น, ค, น, american, นครับรถผู้คนชายผู้คนสวนผกแม่ครัวผวกขับรถเมย ขับรถใมม่เรียบร้อยถั่แกขับรถมีเรียบร้อยแกเรียบร้อยแกไม่ขับรถเมลนะคือมันปัญหาสําคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างประเทศบางประเทศเช่นมาเลเนี่ยคนขับรถเขาไปญาตีนะนะมึงก็ต่อในอะไรแสดงอะไรที่ฮอสิริกิตะคนขับรถที่มารับไอ้พวกนักการค้าไปยาตรีมญาโทมญาเอกนะตีโทเอกนั่นแหละฮะมาขับรถพูดภาษาอังกฤษร้อเลย โอ้ยถ้าดูตรงนั้นหมู่มยี่ง ม, ม่าคนกับรถเมืองไทยอ่ะขับทั่วคราวอ่ะขับเพชชันโชว์แต่ว่าคนกับรถจริงๆแกก็เป็นอย่างนั้นแหละแกก็มีพื้นฐานความรู้อย่างนั้นมีความคิดความอ่านขนาดนั้นเราก็ต้องยอมรับสภาพแกแต่ว่าอย่าลืมนะบางคนนี่ไม่ใช่เล่นอามาเคยเจอคนมาแท็กซี่แกถามปัญหาธรรมะโอรสไม่น่าเชื่อเลยไแท็กซี่ถามธรมอย่างนี้ ถามปฏิจจสมุปบาทถามอธิบายแต่ละข้อคือแต่ละข้อเนี่เราถามถามทดสอบแกที่เข้าใจนะที่เข้าใจแกอธิบายได้ผมติดตรงนี้อาจารย์ติดตรงนี้จะอธิบายนะอาธิบายให้คุยธรรมะแล้วธรรมะลึกซึ้งเนี่ยไม่ได้เชี่อไอ้แท็กซี่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้คนขับแท็กซี่นะคิดธรรมะและ้วหนังสือธรรมะวางว้างหน้แล้วมีตัวธรรมะเขียน แกบอกผมอ่านผมคิดธรรมะเรื่อยนั่งขับรถเรืก็คิดธรรมะเรือยแต่พอคิดติดแกก็จดไว้เจอพระขึ้นรถแกก็ถามถามองค์ไหนที่ว่าอธิบายได้แกก็จแกก็เชื่อ ย, ยังไม่แน่ใจแกก็ถามแกเรื่อยๆอันนี้ก็คือก็คือก็คือฐานอีกฐานหนึ่งนะฐานอีกฐานหนึ่งคือคุณภาพของจิตกับเรื่องของการดำเนินชีวิตที่มันมีมันต่างกัน เราจะลืมว่าเราจึงมีพระอาราหันต์ที่เป็นอดีตโสเพณีเรามีพระอรหันต์ที่เป็นขอทานเรามีพระอรหันต์ที่เป็นโจรเรามีพระอรหันต์ที่เคยเป็นโรคเรื่อนมาก่อนเรามีสารพัดเลยนะครับพระอาราหันต์นั่นก็มังคนละเหตุคนละผลกันคือสภาพชีวิตเป็นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเงื่อนไขอย่าง เห็นว่าเกิดมายากจนมาเป็นเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งแต่มีปัญญาดีก็เป็นเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันก็คล้ายๆกันต้นไม้ในสวนเนี่ยบางต้นก็หวานบางต้นก็เปรี้ยวบางต้นก็มันเราจะเห็นว่าที่จริงมันกนละเหตุคนละผลกันอต้นเปรี้ยวมันก็มาชนิดเปรี้ยวอ่ะมันก็เปรี้ยว่ลูกมันก็เปรี้ยวเอ้าะจ้าหวานชนิดหวานต้นไม้มันก็ชนิดผลหวานมันก็หวาน เพาะนวิถีชีวิตของคนเราเราจึงมีอะไรต่างกันซ้อนกันอยู่ในตัวเรานี่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเรานี่มีเยอะเพราะมันเป็นการให้ผลของกรรมนะอย่างอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่พระเจ้าทรงทรงแสดงเรื่การให้การให้ผ้าเป็นการไม่ใช่การให้ข้าวน้ําเป็นการให้กํำลังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวผันการให้ยานเป็นการให้ความสุขการให้ประที่เป็นการให้แสงสว่างการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่าง ที่นี้คนมางค น, นอาจจะทําอะไรไปเยอะแต่ไม่เคยให้เสื้อผ้าอะไรใครๆเลยทําไมผิวพรรณไม่ดีมันไม่เคยใายผ้าอะไรใครๆเลยทําไมคนนี้เรี่ยวแรงไม่ดีไม่เคยส่งพลอกใครด้วยอาหารการกินแล้วปัญญาเขาดีปัญญาเขาดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะยังได้เคยเล่าพระาอารหันต์องค์งหนึ่งที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยกินข้าวอิม่มอิ่มมื้อนะสักมื้อเดียวเนี่ไม่เคยอิม่มลูกศิษย์ภาษาดิบุตร เรื่องอื่นท่านไม่ทําท่านมุ่งบําเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเดียวมันก็ได้ในส่วนนั้นนะฮะท่านก็ได้ในส่วนนั้นวันที่ท่านจะนิพพานพระสารีบุตรต้องไปบินฑบาตเองแล้วก็มาเอาให้ฉันแล้วก็นั่งถือเอาไว้นั่งถือให้ลูกศิษยฉันฉันด้วยบุญของท่านไม่ใช่ฉันด้วยบุญของลูกศิษย์คุณเกิดมาชาติไม่เคยกินข้าวอิ่มเอาขีใ้ในอื่นสักมือ้อลูกศิษย์ก็ไม่กล้าฉันอาจารย์ถืออยู่เอาหน้าฉันเอ พอฉันปล่อยมันข้าวมันก็หมดเอง ก, ก็หายไปหมดเลยคือเป็นบาปกรรมของท่านเนี่ยมันมันมันไม่ได้กินน่ะแต่ว่าส่วนส่วนดีก็คือดีไปนั้นนั้นคือคือเรียกมันว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราก็ยอมรับในเหตุปัจจัยส่วนนี้เออส่วนที่เราคงไม่เคยทํามาเราก็มีไม่เคยมีบุญวาสนาในเรื่องเหล่านั้นเราก็ต้องยอมรับในเรื่องเหล่านั้นถ้าเรายอมรับสภาพอ่นะยอมรับสภาพมหมายความว่า แต่จริงเหล่านี้มันก็มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันเกิดมาอย่างนี้ไปเป็นอย่างเงี้ยแม้แต่คนเองนะแม้แต่สิ่งของเราก็จะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้เท่าทันแล้วในส่วนที่เป็นขุนที่ให้ความสะดวกสบายเราก็รู้ว่ามันมันมันไม่ได้เทียงแท้แน่นอนอะไรเราจะไม่เพลิดเพลินในตัวความสนุกสบายความเพลิดเพลินความชื่นชมความยินดีอย่างยังไงยังไงก็ไม่ถึงสยบติ จบมันก็จบจบก็จบได้นะฮะทำยังไงมันจบได้ก็จบก็คือจบได้หมายความว่าเรามองสิ่งเหล่านั้นในแง่ที่มันเป็นความเพลิดเพลินจริงแต่ว่ามันไม่ได้ยัง่งยืนอะไรนั้นมองได้อีกระดับหนึ่งไงนะระดับคิดง่ายๆ ไ, ไม่ใช่ว่าระดับที่จะลึกซึ้งที่ในในขณะเดียวกันก็มองเห็นโทษมันด้วยเพื่ออะไเพื่อระมัดระวัง เรามาระวังได้ล้ๆกับเรานั่งรถเนี่ยรถดียังไงก็ต้องต้อ ง, องนึกอุบัติเหตุไปด้วยนึกการเฉี่ยวกันชนไปด้วยไม่จะว่าโอ้ ร, รถดีแล้วก็เปิดเลยคือมองในส่วนโทษด้วยอย่างอย่างที่บอกว่ายุคสมัยเนี่ยชีวิตมันห้าสิบพลาสิมันมีความเสี่ยงอยู่สูงทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามนั่งรถนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับจะกลับได้หรือเปล่าขึ้นเครื่องบินปั๊บก็ไม่แน่ใจนะฮะว่าจะจะได้ลงหรือเปล่า คือแสดงว่าเราก็เสี่ยงแม้แต่หุงข้าวอยู่ก็จะได้กินหรือเปล่าหรือเตาแก๊จะกินเราก็ไม่รู้ก็ก็ก็จะมันจะมีลักษณะอย่างนี้มันจะช่วยตรงไหนช่วยให้ระมัดระวังช่วยให้ประมาทการมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยจริงๆมันก็เสริมสติเสริมสัมรชัญญะให้ลองสังเกตว่าอะไรที่เราไม่แน่ใจเราเราเร า, เราไม่มั่นใจว่ามันมันจะทําได้หรือไม่ได้ เราจะเกิดความระมัดระวังแต่ถ้าเราเราไปปักใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะประมาทของที่หกตกแตกเนี่ยไม่ใช่ของที่ถือด้วยความระมัดระวังนะแต่ว่าถือด้วยความประมาทถือด้วยความประมาตก็เชื่อง่ายๆเดินจบจบจบจบตกแตกงไง่ายดังนั้นในการมองสภาพความเป็นจริงเราจะเห็นว่าอย่างน้อยที่สุดช่วยให้เรามีสติ เราลึกรู้ทันสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนี้อะก็ทําใจยอมรับความจริงมันก็ช่วยช่วยได้เยอะที่พระเจาทรงใช้คำง่ายว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งอะไรก็ตามมองให้เห็นตามความเป็นจริงมันส่วนคุณก็มองเป็นคุณส่วนโทษก็มองเป็นโทษอย่ามั่วก็แล้วกันนะนะส่วนคุณก็มองเป็นคุณส่วนโทษก็มองเป็นโทษการเกิดก็มองการเกิดการดับก็มองเป็นการดับ แล้วก็มองถึงการสลัดออกคือการไม่เกาะเกี่ยวไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไปด้วยนะครับก็หมายความว่าทุกทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เป็นคุณก็ดีสิ่งเป็นพ่ก็ดีสิ่งนี้เกิดก็ดีสิ่งดับก็ดีนั่นไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดมั่นถือมั่นอะจริงอะ จ, งอ จ, งอจังมากเกินไปแล้วก็เตรียมใจในจุดนี้ไปด้วยเพื่อเพื่อว่าจะไม่ทุกข์เมื่อประสบกับกับความทุกข์คือไม่เพิ่มทุกข์เมื่อยามประสบความทุกข์ จะไม่เพลิดเพลินเกินเหตุเมื่อประสบประสบที่สุขและจะไม่เศร้าโศกเมื่อประสบกับตัวดับนะจะไม่ชื่นชมดินดีเมื่อประสบกับส่วนเกิดที่ดีนะหรือแม้แต่ว่าทุกโทมนัสเสียใจเมื่อเกิดส่วนที่ไม่ดีเพราะยังไงมันก็ดับอ่ะนะทั้งดีทั้งไม่ดีนี่ก็เป็นเป็นแนวอย่างหนึ่งที่ทรงสอนให้มองพวกสังโยชนัพกพวกโยคะซึง่งถือว่าที่จริงก็ เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็นำมาพูดระดับระดับที่มันมันง่ายต่อการมาปฏิบัติสมาวันนี้ก็ข อ, ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านเออ